ต่อไปข้อ8ปัญจะมีวิพัตในอัตรักขณะคําว่ารักขณะแปลว่ารักษารักษาจากเช่นรักษาจิตจากบาปอะไรพวกนี้แปลว่ารักษาจะเข้ากับปัญจะมีวิพัตดูตัวอย่างข้อหนึ่งสาธุชโนกุโตวิกรมเมยะวิรมเมยะแปลว่าควรเว้นเว้นสาธุชโนแปลทับศัพท์ว่าสาธุชนแปลออกศัพท์ว่าคนดี วิกรเมยะควรเว้นกุโตจากอะไรคนดีควรเว้นจากอะไรหมายถึงว่าคนดีควรจะรักษาตัวจากอะไรนั่นเองขออง้อ2สาธุชนโน ป, ปาปกาอากุศลาธรรมาวิกรเมยะสาธุชนโนคนดีวิรเมยะควรเว้น ทำมาจากธรรปาปกาอันเป็นบาปอกุศลาอันเป็นอกุศลคนดีควรเว้นจากธรรมอันเป็นบาปอากุศลคนดีควรเว้นจากธรรมอันเป็นบาปอากุศลข้อ 3. วิวิตโตปาปกาทำมาวิวิตโตสงบสงัดวิเวกนะวิเวกกับคำนี้แหละนะ วิเวโกก็ได้วิวิตโตก็ได้สงัดแล้วสงบแล้ววิเวกแล้วปาปกาธรรมาจากบาประธรรมจากทำอันเป็นบาปจากธรรมอันชั่วสงบจากบาปประธรรมข้อสวิวิตจะอกุสเลหิธรรมเมหิวิวิตจะกับวิวิตโตแปลเหมือนกันแต่ปัจจัยคนละตัวท่างนั้นเองแต่แปลเหมือนกัน วิวิจจะสงัดแล้วสงบแล้วกุอะกุสเลหิทำเมหิจากทำทั้งหลายอันเป็นอกุศลหรือจากอากุศลละรำทั้งหลายอย่างนี้ก็ได้ข้อ5ปาปาจิตตังนิวางระเยอันนี้ผ่านมาที่หนึ่งแล้วคำเนี้ยนิวางระเยควรห้ามจิตตังซึ่งจิตปาปาจากบาป คำไหนยากก็จดเฉพาะคำนั้นคำไหนผ่านบ่อยๆแล้วก็ไม่ต้องไปจดทุกคำหรอกตาลายเฉยๆไม่แตกต่างกันมันเป็นไวยพ์ของกันและกันใช้คำไหนคืออันเดียวกันแต่ว่าใช้คำไหนจะเพราะกว่าก็เหมือนกับเราพูดกับเพื่อนเนี่ยนี่นายเนี่ยร้ายมากเลยนะ ล้วก็ไม่พูดทํามันรับุนแรงเกินไปแล้วก็ใช้คำอื่นแต่มันหมายถึงอย่างนั้นแหละนายเนี่ยใช้ไม่ได้เลยนะอะไรอย่างาเงี้ยนายีแย่มากอะไรนะมันก็คืออันเดียวกันบาปกับอกุศลเป็นวบโพดกันแปร่แปร่สาธุชนโกปุตวิระเมยะสาธุชนควรเว้นจากอะไร สาธุชนโอปาปกาอากุศลาธรรมาวิเครเมยะสาธุชนคนดีควรเว้นจากบาปธรรมอันเป็นบาปอากุศลวิวิตโตปาปกาธรรมาสงัดแล้วจากบาปประทำวิวิตจากอากุสเลหิธรมเมหิ สงัดแล้วจากอากุศลละธรรมทั้งหลายปาปาจิตตังนิวางระเยควรห้ามซึ่งจิตจากบาป